มังกรงหยภาคสองตอนที่สิบสองตอนแก้วสิริยันท่ามกลางเมฆหมอกเห็นแสงเรืองและไปเห็นพระอารามใหญ่โออาโอลานยิงภายในมหาวิหารเห็นอักษรสี่ตัวต้าสงเป่าเตียนคือรัตนะบัลลังมหาชาตรีมีผู้คนมากมายวิ่งไล่ตะคุบลูกแก้วประกายพึก รัศสมีเจิดจ้าโอหยางสังยืนดูอย่างงุนงงในความสับสนวุ่นวายนั้นลูกแก้วประหลาดเก่งหลีนี้หนีผู้คนได้อย่างอัศจรรย์ถึงธรณีประตูวิหารแล้วพิสดารแสงลอยขึ้นสื่อมือโอหยางสังท่ามกลางเสียงกึกกล้องทั่วมหาวิหารเอาไปใช้ซืือแปลวบสิ่งเป็นเสียงของท่าน ซื้อแปะซื้อแปะท่านอยู่ที่ใดโอหยังสั่งเรียกสุดเสียงจนรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาจึงรู้ว่าตนม้อยหลับและฝันไปแต่นางยังจำภาพนิมิตแก้วประกายพึกได้ติดตาเป็นภาพชัดเจนอยู่เบื้องหน้าท่านเจ้าสำนักมีเทียบเชิญจากสำนักเอกบูริมเชิญชวนเหล่าชาวหยุด ร่วมฉลองงานครบรอบร้อยปีของภิกษุหัวซิงต้าอวงฟูปรามจาร์แห่งสำนักเอกบูลิมผู้ล่วงลับไปแล้วท่านจะไปร่วมงานหรือไม่พ่อบ้านแห่งสำนักไตบุภาตัวแปะชิวนำเทียบเชิญเข้ามาสอบถามข้าย่อ ม, มต้องไปเพราะสำนั ก, นกเอ ก, เอกบูลิมเป็นหนึ่ ง, นนงในยุทธภพ <บ S 1> ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งยิ่งพวกเราเตรียมตัวเป็นร่วมงานเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ที่ถึงนีท่านพ่อบ้านช่วยจัดหาเครื่องสักการะและนำข่าวนี้ไปแจ้งวงบูและวงบุญให้เตรียมตัวเดินทางไปงานนี้ร่วมกับข้าด้วยสำนักเอกบูริมปีชวดเดือน12พศ2527มากมายไปด้วยเราจอมยดทั่วทึกทิศที่มาร่วมงาน และชมการประดับประดาตกแต่งประทีปโคมไฟสว่างสวยสวยงามสุดพันนาประดุดแดนสวรรค์ชันฝาโออย่างสารและสิทธ์ต่างเที่ยวชมงานเฉลิมฉลองอย่างตะลึงลานในความยิ่งใหญ่แห่งสำนักเอกบูริมท่านเจ้าสำนักดูหอไปเสียงมีผู้คนแต่ล้วนเข้าไปสักการะบูชารูปเหมือน แห่งภิกษุขบสิงต้าอวงฟูปู่ล่วงรับไปแล้วเจ้าของวิชาขบสิงอันลือชื่อท่านเจ้าสานักรู้จักท่านหรือไม่บวงบวงบูเอ่ยถามเป็นผู้ใดข้าอายุยังเยาวเกิดไม่ทันสมัยของท่านรู้เพียงแต่ข้าเมื่อข้าย่องท่องยุทธภพใหม่ๆ เข้าไปเป็นสิทธิ์ปลายแถวแห่งสำนักเศร้าหลินข้ารู้เพียงแต่ว่าท่านซื้อไท่ไทยอิ่มเป็นหนึ่งในสิทธิ์เอกของท่านภิกษุกตาวงฟูที่นำพายาเอาชาวหยุดส่วนหนึ่งออกมาตั้งสำนักเศ้าหลินเลขาเมื่อข้าบาดเจ็บสาหัส ต, ตกเขาไปก็ได้ภิกษุกเท่าผู้หนึ่งรักษาและสอนวิชาฮวบซิงแก่ข้าจนสามารถออกมาท่องยุทธภพ พวกเราเข้าไปหอไผ่เสียงสักการะร่มเหมือนของทั้งพิสุกกันเถิดผู้คนมากมายย่อมแสดงถึงกลิ่นแห่งศีลคุณธรรมและความดีงามที่ย่อมฟุ้งกระจายไปทั่วสามภพสมควรแก่การสักการะบูชายอย่างยิ่งมุมหนึ่งซ้ายมือของหอไผ่เสียงเป็นที่ทำการของสานุสิตธิเอกบูริม ที่มาชุมนุมกันอย่างขับขังแวดล้อมหญิงชลาผู้นั่งอยู่ท่ามกลางงามสง่าดุดดังขุ้นเขาตรงสารหญิงชลาเหลือบสายตาไปประสบพบโอหยางสันที่พระปะ ป, ะปนกับผู้คนส ก, กาละรูปเหมือนพระพิสุกต้าอวองฟู่อยู่กลางหอหญิงชลาเพ่งพินิจอยู่สักคู่ก่อนจะยกนิ้วชี้ไปหยาทางโอหยางสังและพูดกับเราลูกศิษย์ว่า ทุกค น, กคนดูผู้หญิงสาวคนนั้นสิใครก็ได้ช่วยเชิญนางมาหาข้าหน่อยโ อ, อยโอหยางสั่งเดินเข้าหาหมู่สิทธิ์สำนักเอกบูริมด้วยความรู้สึกสับสนอย่างยิ่งทั้งอยากร้องไห้ออกมาน้ำตานางคลอเบานางมีค่าคิดมาก่อนและเพิ่งไปจักความจริงขณะ ก, ก้มลงกราบสักการะบูชา ภิกษุหสัสิงต้าอวงฟูที่แท้คือซื้อแปะหสัสิงที่นางรักเขารบบูชาอย่างยิ่งคือท่านผู้มรณภาพผู้นี้นี่เองมิทันจะได้คุณคิดเหตุใดต่อไปก็ได้ยินเสียงหนึ่งกล่าวถามว่าลูกหญิงเอ๋ยเจ้าคืออิงซิมของภิกษุหสิงต้าอวงฟูเจ้ารู้หรือไม่ หญิงชลาเอ่ยถามนางด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาปลานีท่านคือยังมีรีบคารวะซัมป้อหูหินผู้โอโสแห่งสำนักเอกบูลิมอีกสิทธิผู้หนึ่งรีบกล่าวแนะนำข้าน้อยโอหยางสั่งแห่งสำนักไตบุปผาขอคารวะท่านซัมป้อหูหินข้ามิเข้าใจอิงซิมเป็นเช่นไร โปดบอกข้าน้อยด้วยเจ้าเคยพบภิกษุหัวสิ ง, สงหรือไม่สำป่อหูหยินเอ่ยถามนางข้าย่อมเคยพบอยู่เนืองเจ้าพบภิกษุหัวสิงได้อย่างไรในเมื่อทํหมรณภาพไปเนิ่นนานแล้วศิษย์สำนักเอกบูริมผู้หนึ่งกล่าวแย้งขึ้นในทันทีข้าเองก็มิเข้าใจ ข้าพบท่านเสือแปะก็เหมือนกับข้าพบพวกท่านข้าเห็นกระเพิงประจักษ์ในวันนี้ว่าเสือแปะวบสิงที่ข้าพบที่แท้คือท่านพิสุกต้าอวงฟู่ที่ล่วงลับในวันนี้นี่เองนางตอบด้วยความงงงงในเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึนเจ้ายังไม่เข้าใจต่อไปเจ้าจะเข้าใจเองข้ามีของขวนมอบให้เกลเจ้า ท่านพ่อบ้านเจ้าจงนำกุญแจนี้ไปไขตู้หัวปอของวิเศษนำของสีแดงมาให้ข้าหู่หินสั่งพ่อบ้านของสานักเอบูรดิมนี่คือลูกแก้วประกายพงผืนของภิกษุตาวงฟูผู้ลงลับข้าขอมอบแก่เจ้า ทำเช่นนี้ได้อย่างไรท่านูหญินพวกเราเป็นศิษย์เอกบูลิมยังไม่เคยได้ครอบครองท่านจะให้ของวิเศษนี้แก่นางผู้ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดสำนักไหนเราศิษย์กล่าวท้วงขึ้นท่านขวัอย่ากล่าวมากความข้าให้แกเขาก็ได้แกทุกคนพวกเจ้ามิยังไม่เข้าใจหลักวิชาบูลิมที่ยิ่งใหญ่ ที่แท้จริงหาใช่ความฉลาดปาเปืองหรือไว้ความพยายามฝึกเพียงเท่านั้นหากยังจะต้องผ่านช่วงเวลาแห่งความขับแค้นระทศแห่งความเจ็บปวดรุรแรงเพื่อหล่อหลอมดวงใจให้ได้ดวงใจที่ยิ่งใหญ่อยู่ดวงหนึ่งก่อนจากนั้นค่อยย้อนจัดกระบีเหลาฮู้เมาใจว่า นางผู้นี้ได้ถูกลอหลงดวงจิตที่ยิ่งใหญ่ที่สมควรค่าแก่ของวิเศษชิ้นนี้แก้ววิเศษนี้มีอนุภาพเพียงใดต่างต้องเป็นคนใช้มันจึงมีอนุภาพเพราะตัวแก้วนั้นไม่มีชีวิตความพลิกแปลงแปรเปลี่ยนของกระบวนยจุดไม่ใช่อยู่ที่ตัวแก้ว แต่อยู่ในหัวใจของผู้ใช้ต่างหาแม่นางแก้วนี้มีชื่อว่าไทยเอียงคือแก้วสุริยันข้าขอมอบเป็นสมบัติแก่เจ้าจงใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อมวลชนและประเทศชาติต่อไปฮัฮอฮอฮปาหูหญินได้มอบแก้วไทยเอียงหรือแก้วสุริยัน แกโอหยางส่างจากนี้ไปเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรโปรดติดตามตอนต่อไป 历史回声里，你曾说它是你的家，有是谁？